การมาแสดงธรรมละกวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมกับคณะสัตยายาิโจมพวกมูเล่าเพราะว่าเมื่อมาเมื่อคราวที่แล้วหลวงพ่อดูเจดีย์ขององค์หลวงตา่ดูข้างนอกก็รู้สึกว่าเสร็จเรียบร้อยกดหลวงพ่อเห็นแล้วก็โอ้เป็นที่สบายใจพอเห็นข้างนอก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 นะโมตัสสะภควะโตอะรหาหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะรหาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะรหาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจัปูชนียานั่งกายวิยะยธรรมมาสังฆารา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 ของพระพุทธเจ้าคือสิท ธ, ธัทถาจากนั้นวันหนึ่งสิทธัทถาของเราได้เสด็จออกไปเยี่ยมชมสวนอุทยานไปเห็นคนแก่เป็นอันดับแรกแต่ก่อนหน้านี้พระองค์ไม่เห็นเพราะเหตุไรเพราะว่าพระเจ้าสุธโทธทนะรักษาไม่ให้เห็นสิ่งที่ไม่สวยงามให้เห็นแต่สิ่งที่สวยงามเพราะนั้น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 รถมากลับมาเวียงหวังพอกลับมาแล้วท่านก็ได้มาทบทวนในในพระไทขององค์ว่าคนเราเกิดมาแล้วแก่อย่างนี้ะจะหาความสุขได้อย่างไรถ้าเราแก่อย่างนี้แหละดูซิหลังค่อมเดินก็ไม่สะดวกได้สใส่ไม่เท้าค้ำอยางลักะตาะฝ้าฟังแล้วก็ฟันไม่มีอีกต่างหากหนังเหี่ยว เ, เป็นคนแก่ดูดูแล้ว ไม่ น, น่าสีวิไลในการเป็นอยู่อย่างนี้จากนั้นพระองค์ก็นั่งค้นคิดอยู่หลายวันจากนั้นก็เอาพาช น, นะออกไปชมสวนอีกอยางนี้เขาเขาต่อไปเขาไปเห็นคนเจ็บชัดติ่นชักกออยู่ที่เปที่เขาหามผ่านต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็ถามว่าสิทธถาก็ถามว่าอันนั้นคืออะไรช น, นะเขาเป็นอะไรอันนั้นคือคนเจ็บพระเจ้าค่เอา้าททำไมคนจึงเจ็บ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 วันต่อไม้ต่อมอีกพอหลายวันพอสมควรพระองค์ก็เสด็จจะไปชมสวนอีกอย่างเก่าไปขราวนั้นไปเห็นคนตายเขาเอาผ้าขาวหอ่อแล้วก็เอาใส่เตียงหามผ่านหน้าแล้ว่าถามชนะนั้นคืออะไรเขาทำอะไรอันนั้นคือคนตายพระเจ้าค่ะอ้าวทำไมคนจึงตายในชนะก็บอกว่าคนทุกคนเรานี่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 ให้เตรียมมาเอาไว้นี่แหละคือพระพระรุทธองค์หนีออกไปบวชจากนั้นพระ อ, รองค์ก็ได้นัดกนายฉันะได้ขึ้นม้าขันตะ ก, กะออกจากเวียงวังเวลาเที่ยงคืนจากนั้นพระ อ, รองค์ก็ได้ไปกนายฉันะไปเดินนั่งม้าไปจนถึงฝั่งแม่น้ำอโนมานทีจากนั้นพระ อ, รองค์ก็ได้ทรงพนวด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 พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นท่านทำอย่างไรในวันเดือนหกเพนวันนั้นพระ อ, องค์นั่งอยู่ตามลำพังนายโสธยะไปเกี่ยวหญ้าแล้วก็ได้หญ้าคาแปะกำมือเดินผ่านมาเห็นศิตถานั่งอยู่ตามลำพังนายโสธยะได้นำหญ้าคาเข้าไปถวาย เพราะว่าเห็นว่า น, นั่งอยู่ตามลำพังคงจะไม่สบายเพราะเหตุใดเพราะว่ารากโพที่โผล่ขึ้นมาพวกเราก็คงจะเห็นโผที่โรยมากรากแก้วรากฝอยมันจะโผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินนั่งไม่สบายสิทธิษฐ์เอในายโสธิยะเห็นพระสิท ธ, ธิษนั่งอยู่ตามลำพังก็ได้นำยาคาเข้าไปมอบให้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 ทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจมีสติสัมปชัญญะจากนั้นพทัทธัยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมพอจิตใจไม่คิดถึง อ, อดีตไม่คิดถึงอนาคตจิตใจอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่กำหนดที่ปลายจมูกพระ อ, องค์ใจพรทัพรทัยของพระ อ, องค์รวมสงบพอรวมสงบลงเป็นหนึ่ง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 แล้ววิญญาณของข้าเนี่ยมาจากไหนเกิดมาจากไหนพระพุทธองค์ก็ย้อนไปดูย้อนไปดูจึงรู้ดูว่าเพทไทยของพระองค์เนี่ยมาจากตัวอวิชชาอาวิชชาปัจจะยาสั้งคาราสัขาร า, า, ราปัจจยาวิญญาณนะั้ให้เข้าวัดใจของเรามาจากตัวไม่รู้มาเกิดจากนั้นพระองค์ก็ใช้ตประธรรมคือศินสมาธิปัญญามรักษแปร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 และก็เห็นส ม, มณะจากนั้นพระองค์ก็ได้หนีออกจากเวียงวังออกมาประพฤติธปฏิบัติธรรมจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาจากนั้นเมื่อพระองคำอง์ได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาแล้วพระองค์ก็ได้นําพระธรรมคําสอนที่พระองค์ได้ตัดรู้หรือว่าได้รับธรรมได้ตัดสู้นั้นนําพระธรรมคําสอน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 ให้กำหนดลมหายใจเข้าและกั บ, บริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถเพราะว่าจะอยู่ได้แนบแน่นกว่าเพราะว่าจะไม่เผลอไม่เผลอได้ง่ายจากนั้นองค์หลวงตาท่านก็ฟังองค์หลวงปู่มั่นที่ท่านสอนลูกตาก็ปฏิบัติตามตามทำคําสอนขององค์หลวงปู่มัน่นท่านบอกว่าตั้งแต่วันนั้นมาใจของเราไม่เสือ่อม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 ไม่ต้องตามหลงข้าไปในท้องและก็ไม่ต้องตามหลงออกไปเพียงแต่ว่าเอาสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมูกพอลมเข้าไปเราบริกรรมพุทธเวลาลมออกมาบริกรรมโถอย่างนี้แหละอันนี้ก็คือกรรมฐานของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ท่านก็สอนอีกว่าถ้าหากว่ามันยังเผลอไี่ได้อยู่ให้บริกรรมพุทโถให้ถียิบพุทโทพุทโถพุทโถพุทโถพุทโทุทโทให้ถี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 ที่พระพุทธเจ้ากําหนดไว้นั้นเอ้ยไม่ไม่ได้ตายตัวปี่ตะกรรมฐาน40เอ่อที่กําหนดจะจับจิตใจให้เข้าสู่ความสงบนั่นคือกรรมฐาน40อย่างหรือมากกว่านั้นเอ่อแต่หลวงพ่อเนี่ขอแนะนําแนวความคิดหนึ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเอ่อให้พวกเราท่านทั้งหลายนับเห็นนึกเวลาภาวนาถ้าว่ากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก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 ที่เดินสวนทางขึ้นมาจากกราบพระพุทธเจ้าทั้ง30กว่ารูปท่านก็เอามือขยุ่มหัวพระเทระผู้ใหญ่ท่นเพราะหน้าตาจะเป็นนี่โอ้เออเป็นไงสมณเมนรหน้าตายิ้มริมน่ารักวะเออทำไมมาจากไหนเออไปองค์นั้นขยุ่มองค์นี้ขยุ่มหัวแต่พระเทระเนี่กรเชยเพราะท่านเป็นไม่เนีมีความโกรธโลภหลงอะไรถ้าเป็นพระหันได้ทีนี่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 ปเิณิพานรียว่าตายมรณาภาพลงไปเนี่ยแต่นี้คนทั้งหลายเมื่อประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ถามว่าเราจะสร้างพระเจดีย์บูชาบูชารว่าบรรจุพระปรรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ากัตปะ เ, เราจะสร้างใหญ่ขนาดไหนแต่นี้ก็ไปชุมกันไอ้พวกที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็ว่าสร้าง